13ปัญหามีตลอดเวลาแต่ใจเราไม่มีปัญหาวงเล็บเปิดสิมกราคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที37วงเล็บปิดปัญหาไม่เคยหมดปัญหามาตลอดเวลาไม่มีปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาชีวิตปัญหาการงานไม่รู้จะมีปัญหาอะไรก็เปิดโทรทัศน์ดูปัญหาการเมืองไม่เกี่ยวกับเขาเท่าไหร่เอามากลุ่มใจปัญหาเยอะแยะ แต่ว่าถ้าใจเราเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นนะปล่อยให้โลกมันแตกไปเถอะ